เรื่องที่29กลัวจะแก่ความกลัวว่าตัวจะแก่เป็นโรคเรื้อรังทางจิตอย่างหนึ่งคอยทำลายความสุขทั้งใจของเราทีละเล็กละน้อยอุปมาเหมือนหิดหรือขี้กราแม้จะไม่ถึงกับทำให้ล้มตายโครงครามทันทีทันใดแต่ก็ทำให้ผู้เป็นแล้วสูญเสียความสบายไปชั่วโมงละเล็กละน้อย น่าคิดอยู่เหมือนกันการที่พุทุชนคนชาวบ้านอย่างเราๆท่านๆไม่ชอบความแก่นั้นมีเหตุผลหลายประการแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคนเราที่มีสติสัมปชัญญะเป็นปกติรู้สึกเกลียดความแก่ด้วยกันทั้งนั้นนี่พูดถึงพื้นใจแต่เดิมอาจมียกเว้นบ้างก็เฉพาะท่านที่เข้าถึงธรรมปลงตกแล้ว นั่นขอยกไว้เป็นประเภทวิสามันและท่านผู้เป็นเช่นนั้นก็ไม่จาเป็นที่จะมาอ่านบทความเรื่องนี้จะมีอีกทีคนที่ไม่กลัวแก่ก็คือท่านผู้ที่แก่แล้วคือคุณตาคุณยายที่แก่มากแล้วจะกลัวหรือไม่กลัวมันก็แก่ท่านก็เลยทำเป็นเสียงแข็งว่าท่านไม่กลัว คนประเภทนี้เราก็ยกเว้นอย่าไปรบกวนท่านเลยแต่ถ้าท่านผู้ใดแม้จะแก่บนแก่ล่างแต่รู้สึกว่ากลางไม่แก่จะตีวงเข้ามาคุยหาทางสงบกับลูกกับหลานก็เชิญครับวันนี้ทางสงบจะคุยกันในเรื่องคนแก่ละเพราะจันน่าจะเป็นวันเด็กแล้วจะได้คุยเรื่องเด็กๆกันอีก ทำไมคนจึงกลัวแก่หรืออย่างน้อยก็เกลียดความแก่มีเหตุผลหลายประการตามความนึกคิดของคนที่เกลียดที่กลัวแต่เท่าที่ผมลองสรุปดูแล้วเหตุที่คนไม่ชอบแก่มีอยู่สามประการคือ 1. กลัวว่าแก่แล้วเด็กๆจะไม่สนใจ 2. กลัวว่าแก่แล้วจะลำบากและ 3. เกลียดความแก่พวกแรกดูเหมือนจะเป็นพวกมากเสียด้วยและเป็นพวกที่มีความทุกข์ทังใจมากกว่าเพื่อนคือกลัวว่าแก่แล้วเด็กๆจะไม่ชอบแล้วก็เลยจะหมดสนุกพูดอีกทีคืออยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยๆคนกลัวแก่จะพวกนี้แหละที่ยุ่งยากเอาใจยากและลำบากมากเพราะอะไร เพราะไม่ยอมแก่ถ้าเป็นคนอายุสัก 20-30 ถึงถูกเพื่อนฝูงทายว่าอายุ 40-50 ถึงก็ชักหน้ามอยเสียใจว่าตัวเองแก่เกินวัยหรือไม่อีกทีก็รู้สึกเกลียดหน้าคนทายนิดนิดน้อยเรายังหนุ่มยังสาวแทๆ้ๆหาว่าเราแก่ได้คนอะไรจะตรงกันข้ามฝ่ายคนอายุ 50-60 ิถึง ถ้าใครบอกว่ายังดูหนุ่มอายุ3 0 4 0ถึงก็รู้สึกอิ่มใจกระชุ่มกระชวยขึ้นทันทีทันใดเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ดีๆโดนหนูๆร้องเรียกคุณตาเข้าใจชักยุ่งเหมือนกันแต่ถ้าเขาเรียกคุณเฉยๆดูค่อยอยังชั่วหน่อยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่พูดกัน เพราะถ้าใครยกขึ้นมาพูดท่านก็จะคิดว่าขัดคอแต่มันรู้แก่กันเสียแล้วแล้วก็หัวอกเดียวกันพูดบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เห็นจะเป็นไรกระมังที่ผมบอกว่าคนแก่ประเภทนี้ยุ่งมากนั้นคือยุ่งที่จะต้องคอยไล่ความแก่ออกจากตัวไม่ยอมให้ความแก่มันมาเกาะที่ตัวได้เป็นอันขาดไม่ว่ามันจะแปรออกมาที่ผม หรือที่หนังหรือที่ฟันก็ต้องคอยปกปิดไว้ไม่เช่นนั้นขายหน้าเหมือนแม่ม้สาวไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเป็นแม่ไม้ผัวทิ้งอย่างนั้นเองก็เพราะพยายามจะปิดแก่กันนี่แหละจึงได้มีสินค้าประเภทนี้อยู่ในท้องตลาดอย่างมากมายปีหนึ่งปีหนึ่งประเทศไทยต้องเสียงเงินตราต่างประเทศไปไม่น้อย ในการสั่งซื้อเครื่องปกปิดความแก่เข้ามาช่วยบรรเทาความทุกข์ให้คนกลัวแก่ความจริงที่กลัวนั้นก็มีเหตุผลเพราะว่าคนเราลงได้แก่แล้วแค่แนนเสียงมันตกจริงๆหาเสียงยากจริงอยู่คนแก่ก็มีหัวใจและคนที่เห็นใจคนแก่ก็ยังมีแต่ถ้าดูกันให้ดีแล้วคนที่นิยมคนแก่นั้น เขามักจะถอนความนิยมในตัวคนแก่เอาไปลงไว้ที่กระเป๋าคนแก่เสียคือแทนที่จะรักตัวกลายเป็นรักกระเป๋าไปแต่ในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าคนแก่ยังมีทางครับไม่ใช่หมดฝีมือทีเดียวข้อสำคัญเราย้ายประเภทให้ถูกคือแก่ถูกประเภทซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทคือประเภทกอ แก่มะพร้าวประเภทขอแก่แดดแก่ลมประเภทคอแก่ปฏิกูลนี่แหละครับเส้นทางของคนเราเมื่อถึงเวลาแก่แล้วใครจะเลือกแก่ประเภทไหนแก่ประเภทกอคือแก่มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันหมายถึงคนแก่ที่มีคุณสมบัติทางใจเพียงพอเช่นเป็นคนมีวิชาความรู้ เป็นคนดีมีศีลมีธรรมหรือเป็นคนมีเมตตากรุณารวมความว่ามีความดีทางจิตใจคนแก่ประเภทนี้ใครๆก็เคารพและนับถือเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีอย่าว่าแต่คนดีที่ยังมีชีวิตอยู่เลยแม้แต่คนแก่ดีๆที่ตายไปแล้วเหลือแต่กระดูกคนเขาก็ยังไปกราบไปไหว้ แก่ประเภทขอคือแก่แดดแก่ลมหรือแก่เกิดนานคนแก่ประเภทนี้กลับเอาดีในออกมาไว้เป็นดีนอกคือสังขารร่างกายจริงๆก็หมดท่าแล้วกิริยามันปนกันหมดคือคนเราเวลาแก่เข้ามากๆแล้วดูไม่ออกหรอกถ้าเดินกับท่าฟ้อนราก็เหมือนกันการยิ้มกับการเบ้ปากก็สไตล์เดียวกัน การจีบกับการบ่นก็พอๆกันแล้วการหวรอะกับการร้องไห้ก็ใช้คำนองเดียวส่วนสังขารร่างกายเป็นอันแย่แล้วถูกแดดมันเผาถูกลมมันพัดอยู่หลายปีเต็มทีทีนี้ทางใจก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่สนใจถ่ายเทไว้ให้คนอื่นความรู้ที่จะสอนเขาก็ไม่มี หรือแม้แต่จะจำนินทาอะไรไว้เล่าให้เด็กๆฟังก็ไม่มีนี่เรียกว่าดีในมันหมดจะมีอีกทีก็ดูกันที่สมบัติข้าวของเงินทองที่สะสมไว้ที่จะให้แก่ลูกแกหลานคนแก่ประเภทนี้ลำบากหน่อยถ้าไม่มีมรดกก็ยิ่งแย่แต่แม้จะมีมรดกทิ้งไว้เมื่อเวลาลูกหลานเขาแบ่งหรือแย่งมรดกกันเรียบร้อยแล้ว ก็เลิกกันบางทีศพคนแก่เองไม่มีคนเผาให้เสียด้วยซ้ำแก่ประเภทคอคือแก่ปฏิกูลเป็นคนแก่ชั้นโหลที่สุดในโลกคือคนแก่ที่พกเอาความชั่วร้ายต่างๆไว้เต็มตัวยิ่งแก่ยิ่งร้ายยิ่งแก่ยิ่งดุเต็มไปด้วยการบ่นว่าทารุณด่าทอใครเข้าหน้าไม่ติด ดังเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเท่าที่ผมจำแนกแจกแจงประเภทคนแก่นี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าทางออกของคนแก่ยังมีทางนั้นก็คือรีบสมัครเข้าเป็นคนแก่ประเภทกอเสียแต่งเนินนคนแก่ประเภทนี้เท่านั้นที่นั่งหัวรอกเหงือกแดงได้ทั้งวันและไม่แคร์ว่าจะมีใครนวดแข้งนวดขาให้หรือไม่ ยิ่งถ้าเราเป็นคนแก่ประเภทก่อด้วยแล้วมีกระเป๋าตึงต้งๆด้วยก็ยิ่งหมดความกังวลคนจะรักหรือไม่เรื่องเล็กพวกที่กลัวแก่เพราะกลัวว่าแก่แล้วจะลาบากพวกนี้ไม่มีปัญหามันเป็นธรรมดาของสังขารแก่แล้วจะให้มันฉึกฉักเหมือนหนุ่มๆอย่างไรได้การครองชีพเท่านั้นที่น่าคิดน่าจะเตรียมตัว แก่แล้วใครจะทํามาหาเลี้ยงลูกหลานจะทอดทิ้งหรือไม่ปลดกเกษียณแล้วจะทําอะไรกันปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหม่เหมือนกันแต่ก็ดีที่ว่าธรรมชาติได้ให้เวลาเราหาคําตอบเป็นปีๆเราพอจะเตรียมตัวทันเราอาจไม่ต้องง้อคนที่จะทํามาหาเลี้ยงเราหรือไม่พวกเราก็เริ่มเก็บหอมรอมริบเสียเดี๋ยวนี้ เราลองคิดตั้งมูลนิธิส่งเคราะห์คนชราไว้สักก้อนหนึ่งและคนที่จะส่งเคราะห์นั้นก็คือตัวเราเองกะว่าให้ได้ดอกได้ผลสักปีละหนึ่งหมื่นบาทก็พอสำหรับตัวเราคนเดียวเพราะเวลาเราแก่แล้วัุวราที่จะใช้จ่ายก็คงมีไม่เท่าไหร่เสื้อผ้ามีไว้ผลัดสัก 2-3 สมชุดก็พอแล้วหนังก็ไม่ต้องดู น้ำอบน้ำหอมก็มีไว้พอเหมาะให้ชื่นใจตัวเองนิดๆหน่อยๆเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวอย่าทาคิ้วทาเล็บก็ไม่ต้องความสิ้นเปลืองก็ลดลงได้เยอะสิ่งน่าห่วงสำหรับคนแก่บางท่านอีกอย่างก็คือน้ำอย่างว่าเท่านั้นแก่แล้วซื้อแต่ยาไว้กินไว้ทาไว้ดมให้สังขารมันเป็นไปมากก็พอแล้ว หากยังแถมชอบเล่นน้ำในขวดอยู่อีกก็ลำบากมากเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีไรายได้น้อยแต่เรื่องอย่างนี้เราก็แก้ของเราได้เด็กที่ไหนเขาจะมากล้าสอนหัวงอกแก่แล้วรู้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้เรามาเลิกกังวลใจในเรื่องคนที่จะทำมาหาเลี้ยงได้แล้วคิดพึ่งตัวเองเข้าไว้สบายใจดี ยังมีพวกที่วุ่นวายใจอีกพวกหนึ่งคือพวกเกลียดความแก่คือนึกเกลียดความแก่เอาเลยทีเดียวเหมือนกับเกลียดของปฏิกูลที่จะมาแปดเปื้อนตัวอย่างนั้นแหละที่ยุ่งมากคือไปเกลียดของที่มันหลบไม่พ้นความแก่มันออกมาจากตัวเองถ้าเกลียดความแก่ก็เท่ากับเกลียดตัวเองนั่นเองแล้วแต่จะคิดดูก็แล้วกันอันที่จริง ความแก่ก็ไม่ใช่ของน่าเกลียดน่าชังอะไรกี่มากน้อยคนเราเกิดมาชาติหนึ่งมีโอกาสได้ใช้ผมถึงสองสีใช้สีดำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนตั้ง 50-60 ถึงปีก็ได้เปลี่ยนใช้ผมสีขาวสเอาอาสียทีเจ้ายังไงสะาตาดีออกที่ของใช้อย่างอื่นทำไมาเราจึงชอบเปลี่ยนสีละ่ะคุณผู้หญิงบางคนยิ่งได้เปลี่ยนสีทุกวัน เช้าสีบ่ายสีก็ยิ่งชอบก็แล้วสีผมทำไมจึงจะไม่คิดลองเปลี่ยนสีดูบ้างหนังหุ้มตัวก็เหมือนกันชนิดตึงๆก็ใช้มานานแล้วก็ลองใช้ชนิดหย่อนๆลม้ลมๆดูบ้างจะไม่ดีหรือเสื้อผ้าเรายังชอบเปลี่ยนทรงฟิตบ้างหลวมบ้างห้องหับบ้านช่องก็ยังชอบหลวมๆถนนหนทางรถรา ถ้าแน่นนักเราก็บนก็ทีหนังหุ้มตัวทำไมเราจึงปากใจชอบแต่ชนิดตึงๆ ต, ตลอดปีตลอดชาติลองคิดดูให้ดีสิครับคนแก่น่ะเป็นคนโชคดีนักหนาอยู่ง่ายกินง่ายเอาใจง่ายมีไว้แล้วก็รู้อยู่ปกครองง่ายออกจะตายใครไม่รักก็กรรมละ